ในการพูดกันครั้งสุดท้ายนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะจะเป็นการพูดอย่างรวบยอดหรืออย่างส่งท้ายอย่างสรุปก็ได้แล้วแต่จะเรียก มันเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนจึงได้เอามาพูดเป็น เ, เรื่องสุดท้ายสำหรับเป็นหลักชายทั่วไปตลอดการเลยก็ว่าได้ <c oughs> ้วเป็นที่สรุปหมดของทุกเรื่อง คือทุกๆเรื่องจะจะพูดต่อไปหรือพูดมาแล้วมันก็สรุปอยู่ในเรื่องนี้่ยเป็นเพียงคำพูดคำเดียวถ้าถ้าเข้าใจถือเอาไว้ได้จะเป็นผลมากจะมีผลมาก ถ้า่ลองทายดูก่อนก็ได้ว่าจะจะพูดว่าอะไรจะได้แก่คําว่าอะไรถ้า <c oughs> มาเชื่อว่าคงทายผิด <c oughs> ไม่เชื่อก็ลองทายไว้ก่อนดีว่าจะมาจะพูดว่าอะไร <c oughs> คําเดียวสําหรับหมดทุกเรื่อง <c oughs>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 เหมือนกับเป็นขั้วของเรื่องเป็นต้นขั้วของเรื่องคือคำว่าผัสสะถึงจะมีคำให้ท่องจำง่ายๆเกี่ยวกับผัสสะนี่ว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะ ความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสธะนั่นมันไปรวมอยู่ที่คำวมาพัทสะทำเดียวก็เหลืออยู่แต่ว่ารู้จักหรือเปล่าว่าเรื่องพัสธะนั่นคืออะไร คำว่าผัสสะผัสสะนี่คืออะไรที่จริงก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำแต่จะไม่สนใจก็ได้คำว่าผัสสะแปลว่ากระทบคำไม้กลา ง, ลางแปลว่ากระทบในภาษาธรรมะนี่หมายถึงกระทบ ทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางผิวหนังและกระทบทางใจเองรวมเป็นหกทางในหกทางนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเบื้องต้นเบื้องแรกทีเดียวพัฒนาผมก็เกิดมาจากการกระทบหกทางนี้ ถ้าจะเรียนกันอย่างถูกต้องแท้จริงก็ให้ถือว่าไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันคือกอกขอกอกข อ, ข อ, ขอกกกะหรือเอบีซก็ได้ของพระพุทธศาสนาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจเป็นเรื่องกอขอกกาะเลยเรียนทีแรก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 ได้ยินทางหูมีกลิ่นมากระทบจมูกก็รู้สึกทางจมูกรู้กลิ่นทางจมูกมีรสมากระทบลิ้นก็รู้รสทางลิ้นกระทบผิวหนังก็รู้สึกสัมผัสผิวหนังกระทบจิตก็รู้สึกที่จิตไอความรู้สึกทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวิญญาณ อาณาข้างนอกมากระทบอายนาข้างในก็เกิดวิญญาณคือรูปเสียงกลิยงรสผลตภัณฑ์ธรรมารมมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดจักรสุวิญญาณโสตะวิญญาณคณะจิวญาติวห า, าวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนั่ น, หนแหละกอขอกอกาก็แจกลูกมได้อย่างนั้นนี่ตรงที่มันรู้สึกกันอยู่ ทำหน้าที่รวมกันอยู่รู้สึกกันอยู่ระหว่างสามสิ่งเนี่ยเช่นทางตานะตาด้วยรูปด้วยจักสุวิญญาณด้วยทาหน้าที่รวมกันอยู่ก็คือจักสุวิญญาณมันรู้สึกรูปโดยตาทางตานียกาสามสิ่งถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัทธะนี่กระทบทางตาทางหูก็เหมือนกันในหูด้วยมีเสียงด้วยแล้วมี จากโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเลราะว่มันม า, ม, ามาถึงกันนี้แล้วก็โสตะวิญญาณมันรู้สึกต่อเสียงอยู่ทางหูเรียกว่าผัสสะทางหูที่ก็มีผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางผิวหนังผัสสะทางจิตเองใจเองก็เรียกว่าผัสสะทั้งหมดนั่นน่ะทั้งหกอย่างนั่นก็เรียกว่าผัสสะคาเดียวนี่ บางคนอาทียังไม่รู้ว่าไอ้ผัสสะตัวเดียวสิ่งเดียวนี่เป็นที่ออกมาของเรื่องทั้งหมด <c oughs> ต้องรู้จกักผัสสะด้วยจิตใจของตนเองซะก่อนสิว่าเมือม่อเมื่อมีผัสสนะน่ยรู้สึกรู้จกักมันอย่าฟังแต่คำพูดหรือหนังสือ เพราะทุกคนมีผัสสะอยู่ทุกวันแทบจะตลอดวันอะไม่ตาก็หูไม่หูก็จมูกลิ้นกายใจมีอยู่ขอให้ทำความรู้จักผัสสะตัวจริงโดยตรงซะก่อนอย่าศัก์แต่ว่าเป็นคำพูด <c oughs> ทีนี้ก็ดูผัสสะว่ามันเป็น <c oughs> จุดรวมของทั้งหมดอย่างไร เอาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจะนึกกรรมกรรมการกระทำนี่มันก็เกิดจากผัสสะผัสสะต้องการผัสสะกับแล้วต้องการอะไรมันก็ทำกรรมอย่างนั้นแหละเราไปสัมผัสอะไรข้าวถูกใจมันก็ทำกรรมที่จะเอาไม่ถูกใจมันก็ทำกรรมที่จะทำลาย จึงกล่าวได้เป็นครั้งแรกว่าผัสสะให้เกิดการกระทําเกิดการกระทํากรรมกรรมทั้งหลายกรรมดีกรรมชั่วไม่ดีไม่ชั่วกำทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเล็กใหญ่อะไรก็ตามผัสสะนั้นเป็นต้นเหตุให้กระทำํำเราไปผัสสะอะไรข้าวแล้วมันก็รู้สึกค่าของสิ่งนั้นแล้วมันก็อยากแล้วมันก็ทํา นี่เรียกกันว่าไอ้กรรมทั้งพวงมีผัสสะเป็นปัจจัยที่จะให้ละเอียดเข้ามาก็ว่าสังขารสังขารคือความคิดการปรุงแต่งทางจิตในรูปของความคิดเรียกว่าสังขารเราไปผัด ส, สะอะไรข้าวแล้วเราจะเกิดความคิด <c oughs> เกี่ยวกับผัด ส, สะนั่นก็เรียกว่าการปรุงแต่งทางจิตเนี่ย คือสังขารเกิดมาจากผัตตากลัวกามทีนี้เอามาถึงกามกามแล้วก็กามอารมณ์ของกามคือรูปเสียงสินรดกฎถภาที่น่าพอใจใ้ตัวกามเองคือกิเลส <c oughs> ที่ รับพอใจกำหนัดไปตามความตริตรึกกำหนัดพอใจไปตามอำนาจความตริตรึกตริตรึกตริตรึกนีน่นั่นคือตัวกิเล ส, สกามมันต้องมีผัสสะในสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจพอใจเป็นที่ชอบใจมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกาม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 แล้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าเพราะมีผัสสะก็มีเวทนาเนี่ยนี่เกือบไม่ต้องอธิบายแล้วมังพอมีผัสสะก็เวทมีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกมุสุขเวทนา <c oughs> ถ้ามีเวทนามันก็มีตัณหา <c oughs> มีความอยากไปตามความหมายของเวทนาเวทนาพอใจก็อยากได้เวทนาไม่พอใจก็อยากฆ่าอยากทำลาย เวทนาที่ยังไม่รู้ว่าอะไรก็สงสัยติดพันไปตามเรื่องพูดได้ว่าเวทนาทั้งหลายมาจากภัดสคือตัณหาทั้งหลายก็มาจากผัสสะเวทนานีคือสิ่งที่เลวร้ายในทางบังคับมนุษย์สายหัวสายคอมนุษย์จะไปทำอะไรได้ตามหน้าของเวทนา พระเวทนาเกิดตัณหาตัณหานะ่ะเป็นเรื่องจักจูงไปตัณหาก็มาจากผัดสะเวทนาก็มาจากผัดสะกดีสัญญาสัญญาความสําคัญอะไรว่าเป็นอะไรสําคัญมันหมายด้วยความจําก็ได้ด้วยความหมายมั่นก็ได้สัญญาว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันก็มาจากผัดสักสัญญาว่าสุขก็มาจากผัดสัก ที่พบสุขเวทนาสัญญาว่าทุกามาจากผัสสะที่เป็นทุกขเวทนาซ้ำสัญญาว่าผู้หญิงก็เขาสัมผัสผู้หญิงซ้ำสัญญาว่าผู้ชายก็เขาสัมผัสผู้ชายสัญญาทั้งหลายมีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างล้วนแต่มาจากผัสสะคือการกระทบ <c oughs>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 ในจมกันข้างก็ตายแล้วศูนย์คือซําเกิดทิฏฐิว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจิตมันไปสัมผัสเข้าที่อะไรผิดถูกอย่างไรนี่ทิฏฐิทั้งหลายที่เรียกว่าหกสิบสองประการนะั้นล้วนแต่มาจากผัสสะฉันตื่นฉันลึกฉันละเอียดฉันหยาบล้วนแต่มาจากผัสสะหนูดูจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะั่น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 เป็นสิ่งที่ข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยด้วยด้วยปัญญาฮะเพียงแต่อ่านหนังสือเพียงเห็นหนังสือนี่มันมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงตัวจริงเต้องเห็นด้วยปัญญาะว่าพัสสะให้เกิดกรรมคือการกระทาว่าพัสสาให้เกิดสังขารการปรุงแต่งการคิดการนึกซึ่งเป็นเหตุแล้ทำกรรม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 เมื่อผัสสายเกิดทิฐิความคิดความเห็นตามที่มันมันจะสัมผัสได้อย่างไรเมื่อตาบอดคําช่างมันทําถูกตรงไหนมันก็มีความคิดอความเห็นว่าช่างมีรูปร่างอย่างนั้นในที่สุดโลกทั้งปวงมาจากผัสสะเป็นโลกขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันมีผัสสะคือมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ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 เรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผลถ้าไม่โง่เรื่องภัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนี่เรื่องผัสสะคำเดียวแต่มันครอบไปหมดทุกเรื่องทีนี้ที่ต้องดูก็คือเมื่อมีผัสสะนั่นน่ะมันเป็นผัสสะโง่ หรือเป็นภัสสะฉลาดในขณะแห่งภัสสะนั้นมันมีวิชาหรือมันมีอวิชาอวิชาแปลว่าความรู้แจ้งที่ถูกต้องวิชาแปลว่าไม่มีความรู้แจ้งที่ถูกต้องถ้าในขณะภัสสะเรามีวิชาความรู้แจ้งที่ถูกต้องก็จะภัสสะนั่นเป็นภัสสะฉลาด เป็นผัสสะลืมตาแต่ถ้าว่าในขณะนั้นมันไม่มีวิาชาที่เลยมันก็มีโง่เป็นผัสสะโง่เป็นผัสสะหลับมันก็ตรงกันข้ามผัสสะตื่นหรือผัสสะอวิชผัสสะวิชามันก็ทําถูกต่อไปถ้าผัสสะอาวิชชาโงา่มันก็ทําผิดต่อไป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 ในคณะที่เป็นผัสสะือมีผัสสะแล้วไม่จ้องกลัวไม่มีความทุกข์ไหนเกิดขึ้นมาได้เพราะความฉลาดในขนานผัสสะนะี่มันจัดให้ทําถูกให้เป็นไปถูกเป็นไปอย่างถูกต้องการกระทําก็ดีการพูดจาก็ดีการคิดก็ดีมันถูกไปหมดมันก็เลยไม่ไม่เกิดทุกข์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 ต้นตอของมันอยู่ที่ผัสสะจะเกิดวิชาหรือเกิดอวิชชาก็ต้องเมื่อมีผัสสะถ้ายังไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดวิชาหรือเกิดอวิชชาหมายความว่าอวิชชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะวิชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะถ้ามันเป็นโอกาสเป็นเวลาเป็นที่หรือเป็นแดนอะไรก็ตาม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 อาวิชามก็เข้าสวมแทนมันก็เป็นผัสสะหลับตาคือโง่คือมืดคือบอดขอทุกคนเข้าใจข้อนี้แล้วรู้ให้ดีว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะระมัดระวังอย่าเผลออย่าพลาดได้เรามีผัสสะแล้วก็มีสติ เพราะว่าสติน่ะจะเป็นที่ขนพาเอ า, เอ า, เอาวิชามาถ้ามีสติมันก็จะเปิดโอกาสให้วิช า, เ, าเข้ามาในภัสสะถ้าไม่มีสติก็เป็นโอกาสของอวิชาที่จะเข้ามาผสมกับภัสสะเรามีสติให้ทันเวลาเมื่อมีภัสสะ ซึ่งมันก็เร็วมันก็สายฟ้าแลบเร็วมันก็สายฟ้าแลบก็ต้องมีสติทันกับเวลาจงสังเกตดูพอมีอะไรมากระทบเนี่ยเราไปรู้สึกตัวต่เมื่อเรารักเสร็จแล้วเราโกรธเสร็จแล้วเราเกลียดเสร็จแล้วเรากลัวเสร็จแล้วหรือว่ากระทั่งเราไปทำอันตรายเขาก็เสร็จแล้วมันไม่รู้สึกตัว ในขณานังผัดสะทันทันเวลาสายฟ้าแลบมันมีอวิชชาเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นมีการกระทำ เ, เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไปรับผลการกระทำแล้วจึงไปรู้สึกมันต้องไปร้องไห้เสียใจทีหลังนี่เพราะว่ามันควบคุมผัดสะไม่ทันการที่ฝึกสติ ไว้ให้มากให้พอให้เร็วนั่นะจะช่วยได้คุนไปศึกษาเรื่องฝึกสติฝึกสติว่าให้มากให้เร็วแล้วจะมาทันในเวลาผัสสะผัสสานั้นก็จะเป็นผัสสะของวิชาเป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้นิยถูกต้องมันก็ปรุงไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์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 ถ้าฉลาดไม่ทันเวลาแล้วก็มันก็ต้องเกิดเรื่องคือเป็นทุกข์าาษาฝรัร่งสอนเด็กๆ ก, ก็เหมือนกันเลยครับคนนี้ be wise in time ฉลาดให้ทันแก่เวลาแต่เขาสอนกันเรื่องอื่นๆตำตำนะแต่มาใช้กับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็ไดนะ้คือฉลาดทันเวลาของขัตตะ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 ดีหรือไม่ดนะีมันก็อยู่ที่ผิดหรือถูกเมื่อผัสษะ <c oughs> แต่พูดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะจะปลอดภัยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในทางภาษาพระพุทธเจ้าท่านไม่่อยพูดว่าดีหรือไม่ดีท่านไม่พูดท่านพูดว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ <c oughs>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 อย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่เป็นสันทิติโกต้องไปศึกษาลงไปที่เรื่องข้างันจริงๆผัสสะจริงๆแล้วก็เห็นผัสสะจริงๆเห็นการปรุงแต่งของผัสสะจริงๆถึงกับสะดุ้งนี่เรียกว่าเห็นอย่างเป็นสันทิติโกเห็นด้วยความรู้สึกแห่งใจสัมผัสด้วยใจแล้วรู้รสแห่งสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเห็น ไม่ใช่ดูด้วยตาแล้วไอ้ดูด้วยตาก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่ถ้าเห็นในในความหมายว่าสันทิโกอากาลิโกแล้วก็ต้องรู้สึกด้วยใจต่อสิ่งนั้นๆัมันไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะกันเทศทุกๆุกคนทุกๆุกท่านที่เล่ามาเข้าใจว่าไม่เคยสนใจและไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะในลักษณะอย่างนี่โดยซ้าไป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 มันจะเป็นนิสัยแต่แล้วภาษาทุกทีมันโง่ทุกทีวัดวัดด้วยอะไรถ้าไปชอบใจก็โง่ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่โง่ก็โง่นชอบใจก็โง่ไม่ชอบใจก็โง่ทําไมจะต้องไปโง่ให้ชอบใจหรือไปโง่ให้ไม่ชอบใจฮะแบถ้าภาษาของเราดูเหมือนจะได้ผลไป่อย่างนี้ทั่งนั้นน่ะไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นน้อยครั้งที่ว่าภาษาจะทําให้เราฉลาดขึ้น ผัสสะมีได้ทำให้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจมันถึงต้อ ง, องเขาอากาศพูดว่าผัสสะทุกทีแลว้วก็โง่ทุกทีโง่จนเป็นนิสัยนิสัยที่จะยินดียินร้ายนิสัยที่จะชอบใจนิสัยที่จะไม่ชอบใจมันมีแค่แต่อย่างนี้มันไม่เห็นอ่าเช่นนั้นเองเชนนั้นเองกูไม่เอากับมึงกูไม่ยินดียินร้ายกับมึงทําให้ไม่เกิดผัสสะอย่างนี้บ้าง นี่มันเป็นผดษาโดยวิชาสูงสุดเนอะพราศึกษาเรื่องเช่นนั่นเองมาเพียงพอเรื่องอิทัิปัจจิตาเนี่ยศึกษาเพียงพอหรือจะเรียกว่าเรื่องตาตาก็ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันจะทํำเห็นอ้ามันเช่นนี้เองนี่เรื่องดีเรื่องเชื่อเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ่เรื่องชนะเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรกี่ร้อยกี่พันเรื่องมันเป็นกระแสแห่งอิทธิปัจจิตาและเป็นเช่นนั่นเอง เราไม่ไปยินดีให้เสียเวลาไม่เป็นยินร้ให้เสียเวลาถ้ามันอร่อยที่สุดโอก็มันเท่านั่นเองแหละมันเช่นนั่นเองมันอร่อยเพราะมันก็มันเป็นเช่นนั่นเองอจะไม่ไปยินดีกับมันเพียงแต่รู้ว่ามันอร่อยก็พอแล้วถ้ามันไม่อร่อยก็มันเช่นนั่นเองอจะไปโกรธขัดใจกับมันทําไมมันเป็นเช่นนั่นเองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องกําไรเรื่องขาดทุนกี่กี่กี่เรื่องกี่กี่คู่ รูเมื่อในหนังสือจิตวิทยาของพวกฝรั่งเขาก็ารวมรวมมาไว้เป็นคู่คู่ที่สําคัญสำคัญประมาณสามสิบเจ็ดคู่ถ้าไม่หมดเหรอไม่เจอไม่หมดเขาเอามาจากที่น่าสนใจน่าศึกษาสามสิบเจ็ดคู่นี่มตั้งแต่ว่าเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพยเรื่องชนะเรื่องขาดทุนเรื่องกําไรเรื่องเสียเกียรติเรื่องมีเกียรติเป็นคู่คู่คู่ ค, ค, คู่ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ ทุกคู่นะมันเรื่องหลอกให้โง่นั่นแหละหลอกให้โง่ฝ่ายโพสติฟก็หลอกให้โ ง, ง่ฝ่ายโพสิติฟฝ่ายนักตีก็หลอกให้โง่ฝ่ายนักตีมันมีแต่โพสติฟกับนักตีเพราะในความรู้สึกขอ ง, ของคนธรรมดามันไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางว่าเช่นนั่นเองไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะไม่มีความหมายโพสติฟหรือนักตี คนนั้นก็พลอยเป็นคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปไม่เป็นออปติมิสต์เห็นแต่รู้รสึกแต่ด้านดีไม่เป็นเพสซิมิสต์รู้สึกแต่ด้านด้านแลวนั่นคือคนโง่ <c oughs> ทั้งทั้งคู่ทั้งพจน์ทั้งเพสซิมิสต์และออปติมิสต์คือคนโง่มองไปเห็นด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งว่าดีว่าไม่ดีว่าว่าว่ า, ว, าว่าชื่อ ว, ว่าดี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 แลถ้ามองถูกถมองถูกที่สุดแล้วก็มองโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นขาปาพเจ้าจึงไม่ไปหลงรักอะไรไม่ไปหลงเกลียดอะไรเรียกในภาษาธรรมะว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายธรรมะชั้นละเอียดเขาเรียกว่าไม่มีอภิชาไม่มีโทมนัส ในบาลีมหาสติปัฏฐานสูตรท่นานใช้คําคู่คู่นี้ว่าไม่มีอภิชาไม่มีโทมนัสอภิชาคือเพ่งเล็งจะเอาส่วนโทมนัสในถอยกลับขัดใจเสียใจแห้งใจเป็นทุกข์มันมีอยู่ที่ว่าจะยื่นเข้าไปเอารู้จะถอยกลับมาเสียใจคู่คู่มันมีอย่างนั้นอถ้าเป็นผู้รู้เรื่องขัดสนดีเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้น เขาจะรู้สึกว่ามันเช่นนั่นเองมันมีกฎเกณฑ์ของความเป็นเช่นนั่นเองถ้าเราต้องการอย่างไรแล้วก็ทำให้ ม, มันถูกเรื่องอย่างนั้นเรื่องเช่นนั้นของของชนิดนั้นมันคือทําให้ถูกกับเรื่องตาตาของฝ่ายนั้นหรืออิทัิปัจจตาของฝ่ายนั้นถ้าควรจะได้ตามที่ที่จะได้ที่มันมีอยู่แต่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 อยู่เหนือความได้ดรวยความไม่ได้ก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราต้องการจะมากินก็ทำให้ถูกกับเรื่องที่ได้มาแล้วก็กิกนกินแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญห า, าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าอร่อยก็เช่นนั่นเองไม่อร่อยก็เช่นนั่นเองมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่ากินเข้าไปแล้วหล่อเลี้ยงร่างกายให้มันตั้งอยู่ได้ชีวิตรอดอยู่ได้เขาจึงมีแต่ปกติ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 เพราะมันไม่รู้ว่าดีใจนั่นคืออะไรถ้าด้วยดีก็จะรู้สึกว่าเป็นความกดดันชนิดหนึ่งมันจึงดีใจดีใจดีใจแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะดีใจแล้วก็เสียใจบางความกดดันตรงกันข้าวแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะเสียใจดีใจนักก็กินข้าวไม่ลงเสียใจนักก็กินข้าวไม่ลงนี่เรียกมันบ้าเท่ากันเลย ความดีใจหรือความเสียใจนะอย่าเอากับมันเลยเอาอยู่ที่ตรงกลางดิมันก็เช่นนั่นเองถ้าไม่จะต้องไปดีใจเสียใจที่ความหมายแปลออกไปเช่นว่าเกลียดหรือโกรธหรือกลัวหรือกลัวอย่างนี้ก็ไม่ไม่ต้องกลัวให้มันผีมันออกมาในหน้าตาอย่างไรมันก็เช่นนั่นเอง สร้กระแสทับปัจตาเช่นนั่นเองของผีมันเช่นนั่นเองแล้จะต้องไปกลัวผีทํำไมเนี่ยให้ผีที่น่าเกลียดน่ากลัวชนิดไหนโผล่มาฉันก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะมันเช่นนั่นเองมันเป็นทับปัจจตาในรูปแบบนั่นเองก็ไม่ต้องกลัวสิเนี่ยถ้าวารูณให้ธรรมตะตาท้าตาหรืออนัตตาอะไรก็ตามมันจะไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทุกอย่างทุกประการ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 แต่ถ้าว่าพูดไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัิปัจจิตาแล้วมันไม่มีเรื่องศกรปรกหรือเรื่องสะอาดทั้งความรู้สึกว่าศกรปรกหรือความรู้สึกว่าสะอาดเนี่ยมันมัมนมีแต่ในคนที่ยังไม่เห็นอิทัิปัจจิตาคือคนธรรมดาเนี่ยธรรมดานี่แต่ถ้ามันเร็วมากกว่า น, นั้นมันก็เห็นศกรปรกเป็นสะอาดเห็นสะอาดเป็นศกปกปรกกล่าวกันเสียก็ได้แต่ถ้ามันถูกต้องแค่จริงแล้วมันก็ไม่มีความหมาย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 ความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายไม่ใช่ความสงบแม้กระทั่งความสุขหรือความทุกข์ก็ไม่ใช่ความสงบถ้าไม่สุขไม่ทุกข์จึงจะเป็นความสงบเหมือนเขาจี้ที่สีข้างข้างซ้ายมันก็จักกะจี้จี้สีข้างข้างขวามันก็จักกะจี้ เพราะมันไม่ถูกไม่ถู ก, กี้ให้จักกดกี้นั่นแหะจะดีกว่าในเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมดกี้ให้เกิดความรู้สึกในสองรูปแบบนั้นเราก็ไม่มีความ ส, สงบสุขคือไม่มีเสรีภาพไม่มีปกติที่จะเป็นตัวของตัวเองนี <c> ่ <oughs> มันอยู่ตามนาจของกิเลส ข, ของอวิชชาของตัณหา <c oughs> ของไอ้ความโง่อะไรที่มันมาจากผัสสะนี่คือเรื่องผัสสะคำเดียวถ้าพูดให้จบแล้วก็คุณไม่ต้องไปกรุงเทพหรพูดตั้งเดือนก็ไม่จบนี่พูดแต่หัวข้อก็มันมันมีอย่างนี้รู้จักสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นพอคือผัสสะที่มากระทบเราตลอดเวลา ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วส่วนมากรือแคบทั้งหมดนั่งมันโง่ทุกทีมันมาสัมผัสก็ทำใหเราโง่ทุกทีคือหลงยินดีหรือหลงยินร้ายมีสองอย่างไม่มีถ้าไม่ได้ศึกษามาอย่างเพียงพอไม่รู้๊ไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้ได้แล้วก็วิเศษ เรี <c oughs> ่วกว่าเป็นผู้รู้เท่าทันผัสสะความทุกข์เกิดเกิดจิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะทีนี้ปัญหาต่อไปอีกหน่อยที่มันเกี่ยวข้องกันน่ะ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 <c oughs> บางเวลามันโง่บางเวลามันฉลาดบางเวลามันดีบางเวลามันชั่วจิตดวงเดียวมันก็มีคนคนเดียวเนะ้วใครจะเป็นผู้ทำให้ผิดหรือทำให้ถูกหรือจะป้องกันความผิดมันหน้าหัวเรื่องนี้มันหน้าหัวที่ว่าคนคนเดียวละมันก็เป็น ทั้งสองฝ่ายไอ้ทำผิดเป็นทุกข์มันก็จิตดวงนั้นไอ้ทาถูกไม่เป็นทุกข์มันก็จิตดวงนั้นถ้าจิตดวงเดียวนั้นมันจะสามารถอทั้งขนาดทําถูกอไปได้อย่างไรเนี่ยคือการอบรมมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่แรกๆเราเกิดความรู้สึกผิดเกิดความรู้สึกถูกสลับกันมาแต่จะพอรู้สึกได้เองว่าถ้ามีความรู้สึกถูกมันก็ไม่มีปัญหามันก็สบายดีพอความรู้สึกผิดมันก็ผิดมันกเกิดทุกข์จิต ด, ดวงเดียวน่ยมันมันมันคอยมันมันมันคอยคอ ย, คอยรู้ขึ้น เกินมาทั้งสองอย่างความรู้ของจิตก็เรียกว่าเจตสิก ค, ค่อยๆเกิดขึ้นม า, มาอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกเอเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจิตที่อยู่ตรงกลางดวงเดียวนนะแมัน <c oughs> มันค่อยๆรู้กันพร้อมขึ้นมาทั้งสองอย่างอืมจนกว่ามันจะฉลาดพอ ที่มันจะดำรงไว้สําหรับที่จะให้เกิดแต่ความรู้ถูกฝ่ายเดียวมันเป็นการสร้างสร้างนิสยัยสร้างความเคยชินว่าจะไปทางไหนจะไปทางผิดหรือจะไปทางถูกไอ้ข้างคนพาลอันธพาลมันก็เปิดโอกาสไปฝ่ายผิดเรื่อยไปจนผิดผิดผิดแกงผิดเร็วผิดผิดเป็นนิสัยเลยเอถ้าฝ่ายบัณฑิต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 เมื่อมันรู้จักทั้งสองอย่างดีแล้วมันรู้จักเลือกเองเอะั้นจะอเอาแต่ฝ่ายนี้ที่นี่มันก็รู้จักระมัดระวังจิตก็มีนิสัยน้อมไปในทางที่จะระมัดระวังไม่ไม่ปรุงจเจตสิกประเภทเลวร้ายขึ้นมาเนี่ยพูดอย่างนี้เป็นพุทธศาสนา ไม่มีพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยไม่มีเทวดาผีสางที่ไหนจะมาช่วยไม่มีดวงดาวเคราะกรรมอะไรที่ไหนจะมาช่วยถ้ามันอยู่ที่ผัสสะมันโง่หรือฉลาดแลนะจิตที่มันผ่านชีวิตเวลามานานผ่านชีวิตมานานมันก็ค่อยรู้ว่าทาอย่างไรมันจึงจะปรุงไอความรู้สึกที่ฉลาดขึ้นมากลายเป็นจิตที่ฉลาด แเขาวางหลักไว้ให้ว่าจิตนี่เป็นกลางกลางไม่ใช่ดีไม่ใช่ชื่อไม่ใช่งงู้หรือฉลาดแต่มันเป็นสภาพที่รู้ได้รู้ได้เร็วรู้ได้เป็นสิ่งที่รู้ได้รู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้มันมีคุณสมบัติในตัวมันเองเพียงว่ารู้นั่นแหรู้ได้รู้เร็วรู้เก่งรู้เป็นสายพ้าแลบเลยแต่ผิดก็ได้ถูกก็ได้จิตนี้ต้องได้รับการอบรม ใครจะมาอบรมมันตัวมันเองอบรมมันผู้อบรมกับผู้ถูกอบรมเป็นคนคนเดียวกันเรื่องบ้าหรือเรื่องดีมาพูดกับคนฟังเขาไม่เชื่อล่ะผู้สอนกับผู้เรียนคนเดียวกันเรื่องว่าหรือเรื่องดีจิตเป็นผู้อบรม <c oughs> จิตจิตเลยเป็นทั้งผู้ที่จะรู้สึกและถูกรู้สึกเป็นทั้งผู้สอนและเป็นทั้งผู้เรียน นันชีวิตแต่คนหลังมันเป็นมาอย่างนั้นมันมีการสอนการเรียนการสอนการเรียนมาด้วยจิตดวงเด็กจนจิตนี่มันรู้ฝ่ายที่ดับทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด็กๆเ ก, เกิดมามันรู้เมื่อไหร่นอมันไปจับมแมลงป่องเล่นก็ได้มันไม่รู้นี่แต่ถ้าถูกมแรลงป่องต่อยเอาหรืออะไรกัดเอาทีหังมันก็ไม่เอาแล้วมันรู้แล้วมันฉลาดแล้วนั่น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 จิตเรียนสิ่งทั้งพวงโดยทางผัสสะจิตเรียนโลกทั้งโลกโดยทางผัสสะจิตเรียนอารมณ์ทั้งหลายโดยทางผัสสะ <c oughs> เกิดผัสสะทีหนึ่งมันก็มีเรื่องนะถ้าทำผิดมันก็มันก็กัดเราถ้าทำถูกมันก็ไม่กัดนะจิตมันก็ค่อยฉลาดฉลาดขึ้นในทางที่จะไม่กัดดังนั้นเราจึงเว้นอะไรมาได้มากมากมากมากพอใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงที่สุด คือไม่อาจะเว้นใ้การเกิดกิเลสทึ่เกิดทุกข์ได้ดังนั้นจึงต้องมาเรียนจ <c oughs> ึงต้องมาศึกษาธรรมะในระสนานี้เพื่อช่วยง่ายข้าวที่จะรู้เรื่องละเอียดละเอียดละเอียดที่พระพุทธเจ้าค้นพบโดยการตรัสรู้แล้วนำมาสอน <c oughs> ถ้าจะเรารู้เองก็ต้องรออีก ไม่ไห ว, วนัน่เกินไปเราอาศัยการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับความรู้มาทันทีเอามาศึกษาเอามาคขากลรวนให้มันเข้ารูปเข้าร้อยแล้วดับทุกข์ได้จําจำเป็นที่เราจะต้องเป็นสาวกเป็นสาวกสาวกก็แปลว่าผู้ฟัง ให้ฟังสิ่งที่มีผู้พูดให้ฟังคือพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกแปล ว, ว่าผู้ฟังขั้นฟังแล้วก็เอามาศึกษาแยกแยะคายครวนเทียบเทียงพอเห็นลู่ทางว่าไอ้นี่ดับทุกได้น่าจะลองดูท่านั้นแลแล้วก็ลองดูเถอะ เรื่อกระดับทุกข์ได้จริงอ่ะเรื่นก็เชื่อเชื่อเรื่งกระตุ่ปฏิบัติมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนให้เชื่อทันทีสอนสาวกทั้งหลายว่าไม่ต้องเชื่อทันทีเอาไปใไข้ครวญดูด้วยปัญญาอย่างดีตามที่เป็นจริงที่เราสัมมปัญญายะถาภูตะสัมมัตปัญญาปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริง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 น่นอนแน่ใจที่ต้องการที่จะดับทุกโดยโดยหลักเกณฑ์อันนั้นเราพัสนาคือสัมผัสแล้วก็สัมผัสโดยวิชาคือด้วยความรู้ที่ถูกต้องที่ได้สะสมมาได้เล่าเรียนมาแล้วก็สติเอามาทันเวลาที่สัมผัสสัมผัสเมื่อไรที่ไหนสติสจะต้องเอาความรู้ ระลึกเป็นความรู้ขึ้นมาให้ทันว่ามันมันมันเป็นอย่างไรที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรถ้าสติไม่ระลึกขึ้นมาไอปัญญาก็เป็นหมันเป็นหมันอยู่ก้นบึง้งไม่ขึ้นมาช่วยอะไรได้อย่าอย่าอย่าอวดไปว่าไอความรู้มันจะช่วยได้มันต้องมีเครื่องให้ระลึกขึ้นมาให้ทันแก่เวลานั่นนั่นคือสติ เรามีความรู้มหาศาลแต่เป็นหมันก็ได้ถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องช่วยให้ระลึกขึ้นมาได้ทันเวลาครบถ้วนทุกเหตุการณ์สตินั่นแหะมันเป็นผู้ใช้ปัญญาเป็นผู้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีสติแล้วความรู้ทั้งหลายก็เป็นหมันมันอย่าดูถูกสติ อาระมาเคยพูดว่าอะไรอะไรมันสำเร็จอยู่ที่สติพวกฝรั่งบางคนเข้าไปเขียนล่ออยู่ก็มีด่าด้วยพูดโง่ๆ อ, อ, อ, อะไร น, นสำเร็จด้วยสติก็ได้แล้วเพราะเขามองกันคนละทางอรรถมามองเห็นว่าถ้าไม่มีสติและปัญญาก็ไม่มีความหมายเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเราผัดสระโง่ทั้งนั้นเลยผัดสระโง่ผัด ส, ส, ส, สะอวิชชาทั้งนั้นเลย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 จำกัดความก็ว่าปัญญาเฉยๆนี่ก็ปัญญาปัญญาที่มาใช้งานใช้การอยู่นั่นคือสติปัญญาที่เก็บไว้เฉยๆนะคือปัญญาปัญญาที่มาใช้ทันเวลาต้องผัดสานี่คือสติเหมือนกับเงินที่เก็บไว้ในหีบกับเงินที่มาซื้อของอยู่ที่ตลาดเนี่ยมันเหมือนกันไหม คนหนึ่งมันก็เหมือนเลยกับเงินเงินเดีกันเงินได้กันแต่เงินหนึ่งมันเก็บอยู่ในหีบไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไร <c oughs> เงินนี้กําลังซื้อของกินอยู่ที่ตลาดมันจะเหมือนกันอย่างไรได้นี่มันเป็นวิธีพูด <c oughs> เราจะต้องทําให้ความรู้ของเราเหมือนกับเงินที่มาซื้อของอยู่ที่ตลาดไม่ใช่ฝากไว้ในธนาคาร <c oughs> ให้ความรู้ที่มัน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 เล ย, เล ย, เลยไม่มีประโยชน์อะไรความรู้มันท่วมหูท่วมหูท่วมตาท่วมอะไรเตงเนี่ยเพราะมันไม่มีสตินั่นถ้าไม่มีสติแล้วผัสสะมันก็โง่แหละผัสสะผิดเรียกว่าอวิชชาสัมผัสผัสสะโง่เรียกว่าอาวิชชาสัมผัสผัสสะฉลาดเรียกว่ า, าวิชชาสัมผั ส, ผส อันหนึ่งขึ้นในคำว่าวิชาอันหนึ่งขึ้นในคําว่าอวิชาภาษาโง่ภษาษะฉลาดคืออย่างนี้ภาษาโง่ก็เรียกว่าทําผิดในเรื่องภาษาความทุกข์เกิดที่จิต <c oughs> เพราะทําผิดเรื่องภาสาถ้าทําถูกความทุกข์จะไม่โผล่เพราะไม่โง่เรื่องภาษาที่มีสติอยูตยต่ตลอดเวล า, าความทุก เกิดไม่ได้เพราะเข้าใจเรื่องภาษาคําเดียวนะจำไม่ได้ก็แย่มากนะพูดคําเดียวแท้ๆผัสสะผัสสะคําเดียวแ ท, ะทะ้ๆพูดส่งท้ายพูดปิดปิดปิ ด, ป ด, ปดบอลวันนี้ปิดบอลเลิกก็พูดส่งท้ายพูดสรุปพูดเป็นเข้มข้นที่สุดเหลือแต่คำคำเดียวว่า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 แล้วมันก็ควบคุมผัสสะได้เรามีผัสสะถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยแล้วมันคงจะหน้าหัวที่ว่าเรื่องมันมีเท่านี้แล้วเราไปทำมันมากมากมากมากจนศึกษากันกี่ปีกี่ปีก็ไม่จบไม่รู้ใครมันบ้าเรื่องมันมีเท่านีา้มาบ้าก็ได้เพราะพูดไม่รู้ จ, จบ ผู้เรียนเรียนบ้าก็ได้เพราะเรียนกันไม่รู้จักจบฟังกันไม่รู้จักจบทั้งที่เรื่องมันมีนิดเดียวเท่านี้คือผัรษะคําเดียวเข้บคลุมไปหมดทุกเรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายมีเท่านี้ผัรษะคําเดียวพออขอยุติการบรรยายส่งท้ายวิวว่าปิดประชุมนี่ชั่วโมงแล้ว พูดเกินชั่วโมงเดี๋ยวเกิดผัด ส, สาร้ายขึ้นมาอีก